อยากถามอะไรไหมทั้งคู่เพราะวันพหม่ขอปอนปีให ม, ออใหม่ใจยึดอะไรให้เป็นทุกข์ก็วางลงอืมความรู้ความเห็นความรักอะไรก็ต้องมีด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างทุ่มใจทุ่มกายทุ่มใจว่าจะใจไปจนไม่มีความรู้สึกตัวก็มีแต่ทุกข์ความรักมีได้แต่ต้องรักด้วยความมีสติด้วยความมีสติ ถ้าไม่มีสติมีแต่ทุกข์ทั้งหมดในโลกรับความเป็นเจ้าของมีความหึงหวงมีความทะเละเบาแว่งกันบุญกิจไม่ได้อย่างใจที่สุดมีแต่ความทุกข์ความรักที่ปรารถนาดีต่อกันปรารถนาให้ตัวเองเป็ น, เนทุกข์ปรารถนาให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นความรักอันบริสุทใจจะมีความทุกข์ไม่ใช่ว่าลืมตัวลืมใจมีแต่ความรักมีแต่ความลุ่มหลงเป็นทุกข์ในโลกนะอาจารย์ไม่มานาวกราบนมรสการหลวงตานะคะ คือเวลาปฏิบัติทำตา ม, ามรูปแบบก็คือนั่งสมาธิเนี่ยคือคือตัวหนูเองเนี่ยจะนั่งไม่เคยได้คือมันจะหลับตลอดเวลาเลยค่ะก็เลยในกรณีเนี่ยเราจะรู้เท่าทันถ้าสมมุติเรากกโกรธเราก็จะรู้คือใช้ยึดรูปแบบนี้จะได้ไหมคะหลวงตาคือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองที่บางทีเราไปคิดตำหนิเขาหรือบางทีเราคิดโกรธอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันก็มันก็ไม่ไม่หลุดจากความโกรธไม่ทราบว่าการปฏิบัติของของหนูเนี่ยใช่ใช่ได้ไหมคะ คือไม่เอาตามรูปแบบเกิดเกิดอะไรขึ้นในใจเราไม่ไม่ไหลไปกับมันไปไปร่วมมันไม่ไประสมลงไปกับมันแล้วเราไม่พยายามไปแทรกแซงไม่พยายามไปดับมันได้ไหมลนะ่ะสออย่างเนี่ยคือถ้าไม่ไปร่วมประสมลงกับมันเวลาเกิดความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรที่ในใจกึ่มกมกึ่มก้า ม, ม, ม, ม, ม, มอะไรเนี่ยเดี๋วมันจะตำหนิตีเตียนอะไรก็ตาม เวาลาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะลงไปร่วมกับมันอยอาใจไปลงร่วมกับมันแล้วเราก็ไม่ใช่เข้าใจผิดคือเราพยายามไปดับมันแล้วเป็งงนหงุดหงิดอาการเหล่านั้นเนี่ยเราทําอะไรเราก็ทําไปเราก็จะไปยุ่งกับวุ่นวายกับอาการเหล่านั้นจะได้ไหมแบบเนี้ยคือต้องไม่ไหลไปเราก็ต้องไม่ไม่เข้าไปหักฐานเขาไม่ถ้าส่วนต้องเกิดไหลก่อนสิคะถึงถึงจะรู้ถูกไหมฮะถ้าไม่ไหลเราก็ไม่รู้สิคะรูงตาอืมก็ต้องรู้ที่ว่าไม่ไหลไม่ไหลมันก็รู้ไง มันรั่วไม่ไหลมันมีอะไรเกิดขึ้นก็นคือเวลามีอารมณ์ปุ๊บเราเราจะเกิดอารมณ์ปุ๊บเราก็โมโหปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเออโอเคแล้วก็ถูกต้องแล้วนก็คือ ม, มีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไหลนะคือโกรธเนี่ยดับขาดไม่ได้ได้แต่รเราไม่ไหลไปเรารู้ทันมันก็เดี๋ยวมันก็ดับมันไปเองมันไม่ใช่ว่าเราจะดับให้ขาดไปไม่มีโกรธเลยดับไม่ได้อที่หลวงปู่ดูลย์สโรเนี่ยที่เป็นพาาระอรหันเจ้าแห่งจิตเนี่ยที่ว่าที่แชร์ไปหลายครั้งมากเลยที่บอกว่า โกรธเนี่ยเราจะดับมันดับมันไม่ไม่มีเลยไม่ได้เพียงแต่เรารู้เตาทานมันเดี๋ยวมันก็ดับมันเองแต่เราเนี่ยกลับไปเข้าใจผิดเราพยายามจะทําให้มันไม่มีไม่เกิดไม่เป็นเออแล้วก็เลพอมันมันเกิดขึ้นมาเราก็มุ่งกับมันแล้วเราก็มโหยว่าทำมันเกิดแล้วแต่เราเข้าใจผิดว่าถ้าเราเนี่ยปฏิบัติเก่งมันจะต้องไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้เราเข้าใจผิดมันมีมันเก่งยังไงมันก็มีอรหันต์ก็มี พอมีแล้วแต่ท่านไม่ไปหงุดหงิดกับมันไม่ลำคานกับมันไม่ไปโทษมันว่าเป็นถึ่งไม่ดีแล้วและไม่ไปดับมันพยายามดับมันเพราะพราะฉะนั้นหนูก็ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิตามรูปแบบอะไรที่กําหนดลมหายใจไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยใช่ไหมคะคือคือคือของหนูที่ต้องต้องไปไปทางที่รู้กายรู้ใจใช่ไหมคะอืมก็คืออ่านใจตัวเองให้ขาดเนี่ยอย่างที<ห>่เราบอกอ่ะคืออ่านอ่านใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันแค่นั้นเองอว่าอย่าอย่าไหลไปกับสิ่งใดที่เกิดขึ้นในใจแล้วอย่าอย่าเข้าใจผิดว่ามันจะต้องไม่มี ถ้ามันมีขึ้นมาเราจะพยายามปฏิบัติสะกดให้มันไม่มีแล้วเราจะเครียดมากเลยแก <Okay, S 2> นั่นแน่ใจแล้วเราจะสงบรลมเย็นแล้วยู่ย่วดีค่ะย่วดีค่ะย่วดีิไปกับความคิดภายในใจทุกอย่างก็ดีหมดแล้วเนี่ย菩าบา ร, รมีก็สร้างมาหมดเยอะแล้ว ทางเก่าก็ไมีเยอะมีโอกาสเดินทางผ่านไปได้แต่ไปติดติดอดีตติดอดีตไม่ยอมปอวาง <c oughs> ติดอดีตไม่ยอมปอวาง <c oughs> ก็ต้องหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งอารมณ์ของตัวเองแตเราเนี่ยยังไม่เห็นความคิดปรุงแต่งไม่เห็นอารมณ์ของตัวเองเราไปไปหลงไปเป็นความคิดปรุงแต่งของเป็นอารมณ์แล้ว มันจะติดครุกเข้ไปในนั้นเนี่ยเราต้องเห็นว่าตัวเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งเพราะเราเห็นว่าตัวเราไปปรุงแต่งแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความปรุงแต่งตอนนี้เอาตัวเราเนี่ยหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งมันมีความคิดมีอารมณ์จมปะจมอยู่โศกเศร้าอยู่กับอดีตที่ผ่านมาเราเลยปล่อยวางอาดีตไม่ได้เราเอาอาดีตมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่ความจริงที่ไปอดีตได้ก็เพราะคิดไปเราต้องรู้ต่อต้านความคิด เราก็รู้ตัวทานจิตที่ปรุงแต่งคือเราตัวเราหลงไปเป็นปรุงแต่งแล้วรู้ตัวทันความคิดที่คิดขึ้นมาเราอย่าหลงไม่ให้ความคิดมานลากเราไปได้เราต้องรู้ตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็รู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็หลงไปอีกหลงไปคิดปรุงแต่งแเราก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวหลงไปคิดปรุงแต่งเราก็รู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวแล้วหลงไม่หลงไปแล้วเราจึงเห็นได้พู้รู้สึกตัวนั่นก็ยังพูดได้ติดต่องได้แล้วก็ละไอ้พูดรู้สึกตัวหรือผู้รู้ที่ที่คิดได้นึกติดต่องปรุงแต่งได้แล้วก็ละไปเราจะไปถึงใจที่ว่่าางเปล คนนจะหลุดพนจากความปรงแต่งได้อีกสองชั้นชั้นแรกคือต้องหลุจักหลงถ้าก่อนเราเป็นรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เห็นอะไรรู้สึกตัวเราก็พูดได้บ่นได้เราวิเคราะห์วิจารวิจัยได้เป็นปรงแต่งได้เราก็หลุดจากความรู้ไอ้ผู้รู้สึกตัวที่พูดได้มามาเป็นใจผู้รู้ที่ว่างเปล่าไปอ่านหนังสือเนี่ยไอ้หนังสือไอ้ทางพ้นทุกข์ที่แก้ไขแล้วเนี่ยที่ส่งขึ้นลไลนะ์ไปเนี่ยไปไปฟังเขา้าคานุวิพวีนะคะอาจารย์ก็บอกว่า จริงๆก็คิดดีคิดดีทําดีแต่บางทีอ่ะพอเราทําดีไปแล้วเราก็จะหลงก็เยะคือคือคิดเอาไว้ว่าจะทํายังไงก็เลยไ ม, ไม่ไม่ทราบว่าสิ่งที่คิดเอาไว้อ่ะค่ะจะทําเนี้ยมันใช่ทิศทางที่พระอาจารย์จะแนะนำไหมคือเป็นจริงหรือเปล่าในปัจจุบันได้ได้เห็นแล้วรู้จริงอย่างที่หลวงตาเขาได้พูดว่อะไร มันยังเอาตัวเราไปหาอยู่อ่ะเรายังไม่ไม่เห็นตัวผู้หาเป็นตัวปรุงแต่งเนี่ยเอาตัวเราไปหาเจยจะพยายามหามันเห็นจะไม่ได้เป็นเนี่ยกำลังเอาตัวเราไปหาตัวผู้หาเป็นตัวสกัดปรงแต่งเห็นไหมเนี่ยมันมีตัวผู้หาอยู่เนี่ยไอตัวผู้หาเนี่ยคือตัวปรุงแต่งพอเราเห็นมันลก็เออมันก็จะ วางตัวผู้หาไปวางตัวผูหามันก็อไม่มีอะไรนะมีแต่ความสงบและวา่างเปล่านี่จะมีแอบหาอยู่เลยจะมีแอบหาแต่สงบไปเยอะแล้วไงนี่แอบหาอยู่ที่มีแอบหาอยู่เออเห็นมันวางไป หามันคือตัณหาเราเห็นตัณหาแล้วเราก็วางลงก็ไมเห็นมีอะไรเดี๋ยวก็หาอีกเราก็เห็นมันรว้รวดทันมันจะกระทั่งเห็นผู้หาไอ้ผู้หามันดับลงตัณหาก็ดับตัณหาลงตัณหาดับอุปทานก็ดับพบเจ้าก็ดับทุกตกตายเจ๊ใจก็แก้ใจแต่ก็ดับหมดอือเห็นเห็นอย่างนั้นเแี่ยไม่มีอะไรหรอกมีแต่เห็นเนี่ฟังเลย ไอ้แ ท, แท็กที่สุดท้ายที่ส่งกันไปเนี่ยจบซะทีจบซะทีแต่อันนี้ดีแต่ลานที่ส่งไปงหลังๆเนี่ยอย่าพลาดไม่ได้ช็อตเดียวไม่ได้เรื่องเดียวเพราะว่าเรื่อง้างหลังที่ส่งไปเนี่ยแต่ถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเราต้องอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์คุณธร ร, รดาคุณบาอาจารย์บุญบา ร, รมีของเราขอให้ฟังทําให้รู้เรื่องให้ทำเข้าตัวใจใจเป็นธรรมในปัจจุบันนี้ได้เธอญนะฮะแล้วเราตั้งใจฟังลุยเลยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องลุยฟังรุยฟังให้มันจบ ทำไมไปชื่อชื่อพวงแก้วค่ะอยากให้หลวงตาช่วยแนะนำ ก, การปฏิบัติแนะนําเหมือนว่าใจมันจะมีความสุขอยู่บ่อยๆเนี่มันจะเป็นอุปสรรคหร่อคะความจริงของพวงแก้วก็มีมันก็มีวาสนาสร้างมาอยู่แล้ววาสนาเก่าสร้างมาแต่เวลาการปฏิบัติมันกลับตรงกันข้ามการปฏิบัติตตรงกันข้ามคืออะไร คือทางาพันธิพานีมันคือความปล่อยวางปล่อยวางดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาป่อยวางแต่โฟมแก้วเวลาปฏิบัติเนี่ยจิตที่ดีจะเอาแต่จิตที่ไม่ดีไม่เอามันเดินทางตรงข้ามพณนิาพาตรงข้ามทางขึ้นเข า, าพนันธิพาแต่เราเดินลงเขาคือเราจะเอาจิตดีเราจะอ า, อาการที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายใจเป็นสุขใจไม่มีอะไร ถ้าเราเอาอย่างนั้นนเป็นกิเลสเรากํลาลังเดินทางกิเลสแต่นิพพานคือมันไม่เอาอะไรเลยคือจิตที่มันเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมเราก็ไม่หลงไม่ตามมันเราก็พัฒนาจิตของเราไปให้มีความสุขความเจริญมีความล่มเย็นเป็นสูกแต่ดีแล้วก็ไม่ติดดีปล่อยวางไปเลยดีไปอีกเลยสุขไปอีกไม่เอาอะไรพอถึงว่างก็ยังเลยว่างไปอีกปล่อยวางว่างไปอีกไม่เอาอะไรเลยนั่ น, นคือทางเดินเขาขึ้นสู่นิพพาน แต่เรานี่ปฏิบัติจะเอาจิตดีจะเอาสิตไม่ดีไม่เอาเราก็จิตไม่ดีเร า, ก, ารรเก็นึุดิดที่ลนฝักสาดิ้นลนไปหาจิตที่ดีเราสังเกตให้ดีเียอาจจะให้ขาดนะพออาการของจิตที่ไม่ถูกใจมันแน่นมันอึดอัดมันทุบๆมันอะไรเนี่ยเราก็ไม่ชอบเราเ ก, เากลเกียดมันเรารังเกลียดมันเราพอมันสุขชอบมากเลยเราพยายามจับมันไว้อันนี้เรากำลังเดินตรงทางตรงข้ามพระนิพพานนะภูเขาพนิพพานมันมีอยู่พอมองเห็นลำลายแต่เรากลับไปเดินทางตรงข้ามซะ เราต้องละตัวนี้ไปละการเป็นบปที่ผิดนี้ไปเป็นวิจารณิติไปพอดีละชั่วชางเกียดทุกข์รักสุขติดดีอ่ะอันนี้มันเป็นกิเลสตัณหาเดินทางตรงข้าปัญ น, นิพานเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่ว่าอาจจะทำไม่ทำไม่ถูกอ่ะก็คิดว่าเองก็กพยายามเพราะว่าฟังของดวงตาตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงร้อยสามบทนนี่ค่ะ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตอนเราทำเราจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปทําดูก่อนอืมไม่ใช่เราจะไม่จะไปไล่อาการที่ถูกรู้อย่าไปไล่ละอาการที่ถูกรู้อาการนี้จะเอาอาการนี้ไม่เอาอาการไม่ดีไม่เอาอย่าไปไล่ละอาการที่ถูกรู้ไปในซีดีและในในในใ น, ในคําสอนที่สอนไปทีดีมากเลยเรื่องหลานนี่ยคือให้เสเกตที่ตัวเราผู้ไปรู้ วิญญาณขันธ์เนี่ยตัวเรารู้ไปรู้อาการเนี่ยมันมีความคิด ม, ค ม, tes, มีความตึกมีความตองมีความปรุงแต่งมีความลังเกียดอาการเนี่ยที่ไม่ถูกใจไปชุนพอใจไปชอบไปอยากได้อาการที่ถูกใจที่ถูกใจสังเกต 1961, ดูจ proof, tahu, medo, excluded, control, disputes, ิตผู้รู้หรือตัวเราผู้รู้หรือว่าวิญญาณขันธ์ที่มันไปรู้แล้วมันปรุงมันความพอใจความไม่พอใจอาการเหล่านั้นเราจะไปเป้าหมายเราจะไปตูที่อาการที่ถูกรู้คืออาการที่ไม่เราจะไป อาการที่ไม่ถูกใจอาการที่มันไม่ได้อย่างใจที่มันไม่โปไโรไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่เป็นสุขเราลังเกียจมันเราจะไปให้มันเหลือแต่ใจที่เป็นสุขมีความเบาสบายเราจะไปทําที่อาการของใจที่ถูกรู้ให้ดูใจผู้รู้ที่เข้าไปยึดจนกระทั่งสิ้นผู้ยึดดูที่ผู้รู้เนี่ยว่าเขาไปยึดดีรักชั่วจางเก็บทุกลักสุขเก็บจ cool. ลักเกียจทุกรักสุขดีรักเจ้าจางวนอยู่นั่นเนี่ดูใจเราเนี่ยที่เข้าไปปรุงแต่งอย่างไรต่อกิยาการเห็นอยู่จนกระทั่ง เห็นตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเราเห็นอยู่งี้เนี่ยจนเราพ้นจากเห็นตัวเราหมดที่มันคิดติดตองปรุงแต่งเราเห็นหมดแล้วเราก็ปล่อยวางหมดเห็นหมดปล่อยวางหมดเห็นหมดปล่อยวางหมดอย่างนี้เรืยไปเออเห็นตัวเราอ่ะตัวเราที่เข้าไปชอบไม่ชอบแล้วมันปรุงแต่งไว้ยังไงเห็นตัวเราแล้วก็วางตัวเราไปจะไปวางอาการนะไปไล่วางอาการจะวางแต่อาการที่ไม่ถูกใจไปเอาอาการที่ถูกใจยังไปไล่วางอาการไม่พ้นทุกข์หรอก ใจไหมต้องเห็นผู้รู้แล้วก็ป่อยวางผู้รู้ต้องให้พบผู้รู้แล้วฆ่าผู้รู้ที่หลวงปู่ดูลนตุโลว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้มันต้องเห็นผู้รู้ซะก่อนคือไอ้ผู้รู้ที่มันไปปรุงแต่งพอใจไม่พอใจที่มันคิดติดตอตมปรุงแต่งได้เราต้องไปเห็นผู้รู้ซะก่อนแเราเลยจะป่อวางผู้รู้เรียกว่าฆ่าผู้รู้ถ้าเราไม่เห็นผู้รู้ ihad, เราจะไปปล่อยวางผู้รู้ได้ไงคําว่าฆ่าผู้รู้มันได้ไปทําลายมันก็คือว่าปล่อยวางมันต้องเห็นซะก่อนแล้วก็ป่อยวางมัน สข้าใจไหมตัวเนี้ยไม่เคยเจอลงตาเลยเนาะก็ไม่เคยเจอมันก็เลยไม่เห็นตรงเนี้ยไม่เห็นในตรงที่ผู้รู้เนี่ยเคยเจอผู้รู้ไหมไม่เจอตรงเนี้คยความไม่เคยเจอกันก็เลยไม่เจอผู้รู้อย่ไอ้ผู้รู้มันคืออย่างเนี้ยตามมองเห็นลงตาอยู่เนี่ยหูก็ฟังเสียงลงตาอยู่แต่สังเกต ด, ดูที่อย่าพุ่งเป้าหมายมาที่รูปที่มองเห็นอย่าพุ่งเป้าหมายไป ที่เสียงที่ได้ยินไอ้ตัวเนี้ยมีตาต้องมองเห็นอยู่แล้วมีหูต้องได้ยินอยู่แล้วแต่ให้สังเกตดูจิตใจเราเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยตัวเราผู้มารู้มารู้ก็คือมาเห็นลงตาไอ้ผู้รู้คือมาได้ยินเสียงลงตาแล้วก็เข้ารู้เห็นเข้าใจว่าเนี่ยฟังว่าลงตาพูดว่าอะไรก็รู้เห็นหมดแล้วถามใจตัวเองว่าใครเป็นคนรู้ใครเป็นผู้รู้ก็คือตัวเรานั่นเองอ่ะตัวเราเป็นคนรู้ใครจะรู้เราใครเป็นคนเห็นลงตากับตัวเราเป็นคนเห็นใครเป็นคนได้ยินลงตากับตัวเราเป็นคนได้ยิน ใครไปรู้ว่ารู้อาการของใจเราว่าอาการของใจที่มันถูกใจไม่ถูกใจมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายหรือมันไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันแน่นอัดมันทึบมันตื้อมันแช่มันแย่ใครเป็นคนรู้ให้ถามใจเราอะถามตามใจว่าใครเป็นคนรู้ใจมันจะบอกว่าก็เราจะเป็นคนรู้ตัวเราเป็นคนรู้ใครจะรู้เรากับตัวเรารู้ไอตัวเรารู้เองตัวเราก็วิพาควิจารณเองตัวเรารู้ตัวก็เราวิภาควิจารวิเคราะห์วิจารวิจัยติดตองดิ้นรนค้นหาดิ้นรนหาเหตุผลดิ้นรนจะเอาจันนี้ไม่เอาวันนี้อันนี้จะเอาจะเนี่ยไม่เอา กับต <es> anyway, so ัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ตัวเราก็จะยุ่งยุ่วุ่นวายเองอ่ะไอ้ที่ไหนที่ที่เราถูกใจเราก็จะเอาไปดิ้นไหนไม่ถูกใจเราก็จะดิ้นลดฝักใส่งนั้นจะไปดูที่อาการที่ถูกรู้อย่าไปดูคนที่ถูกรู้จะไปได้ยินเสียงที่จะไปสนใจเสียงที่ถูกรู้อย่าไปสนใจกินที่ถูกรู้อย่าไปสนใจรบที่ถูกรู้ย่าไปสนใจถึงเรี่องผัดที่ถูกรู้อย่าไปสนใจอาการที่ถูกรู้ว่ามันจะดีว่าโล่งโปรสบายหรืออาการไม่ดีหรือจะไปสนใจตัวอาการว่าจิตอย่างนี้จิต จิตไม่ดีอยากจะให้มันดีจิตดีอยากแล้วให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้เป็นกิเลสตัณหามันเดินทางตรงข้ามบัณไพรามันไม่ได้ขึ้นเขาวัณไาร์ละเดินลงตรงกันข้ามเราต้องเห็นตัวเราผู้รู้เนี่ยมันบ่นมันยังไงมันวิเคราะห์วิจารณ์ได้ยังไงเราก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งขบวนปัญหาเชืตัวเราจริงๆริงไหมไอ้ตัวเราผู้รู้แท้จริงเป็นวิญญาณนักขันเป็นขันที่ห้าพอทํางานเสร็จแล้วมันก็ทำงานร่วมกับเจตสิคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อต่อไปให้้้มมััันเกกิดดารรบบูแลว็ไป แต่มารู้อะไรมันก็ต้องวิเคราะห์วิจารณวิจัยรู้อะไรมันต้องวิเคราะห์วิจารวิจัยพูดบ่นคิดบ่นคิดซ้อนพูดซ้อนขณะที่ลุงตาพูดอยู่เนี่ยมันจะคิดสอนพูดส้อนออออใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อือไม่เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไม่นด้วยเออทำไมเราไม่รู้เรื่องเราฝั่งตอนนี้รู้เรื่องดีเออไม่รู้เรื่องเลยมันจะพูดบ่นอยู่ในนี้แน่เราเห็นตรงนี้แล้วเราจะไปดับมันนะเราอย่าไปดับมันเพราะมันเป็นขันห้าดับไม่ได้ดับแล้วตายเลยเราจะดับมันได้แต่เห็นมันแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นขัััััันนนนนนเเปปปป็งงงงขาาาารุแแแต่่่่ยหลลลไไกบบมม้้วดคะ ปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันไปที่ติดปล่อยวางหมดปล่อยขันหน้าปล่อยวิญญาณขาคารใจก็วางเปล่าแต่ขันหน้าก็ยังบ่นพูดบ่นคิดบ่นอยู่ตามปกติแต่ใจว่างเปล่าชื่อนพพลัชค่ะเออนพพลัชแล้วไงเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าเห็นแล้วก็ปล่อยเอ๊ะหลวงตาบอกเห็นเห็นมันแล้วเห็นแล้วทํายังไงกับมันเห็นแล้วก็ปล่อยมันเออเห็นเห็นแค่เห็นถูกไหมครัแค่เห็นก็แค่เห็นจบไม่เห็นแค่เห็นแล้วก็จบ เออจบไม่ต้องอย่าไปอยากจบอย่าไปจบไม่ไม่คือไม่ไม่หมายถึงว่าก็คือแค่เห็นถูกไหมถูกต้องถูกต้องอย่าไหมายว่าแล้วทำไมมันจะจบไม่มีหมายว่าจะจบมันไม่แค่เห็นอย่างเงี้มันไปเอาหมายก็แค่เห็นแค่รู้แค่เห็นอย่างทุกขณนปัจจุบันไม่มีใครก็ไปยึดไม่มีใครก็ไปรองรับไม่มีใครก็ไปเจวยไม่มีใครไปเอาผลจากอนั้นนี่นีในฟังอชุดที่หนึ่งร้อยสองฮะยังยังรู้สึกดีใจว่าเออเราเราเราไม่เคย เหมือนเรารู้สิกเองว่าเราไม่เคยเจอเอผู้รู้เนี่ยก็ดีสิอีกก็แค่รู้สิ่งที่มันเข้ามาทํานู่นทํานี่ไม่ต้องไปหาอีกแล้วอใช่ไหมคะเหมือนว่าในชุดนั้นจะบอกแบบนั้นนะัก็แบบนั้นแต่เราต้องเห็นไงก็คือมันปล่อยวางผู้รู้มันก็เลยมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ไห ม, มใครไปยึด ก, ก็เลยพ้นทุกข์ไปแต่เราจะไม่เห็นผู้รู้ไม่พูดผู้รู้ยังไม่ได้คาผู้รู้จะไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้มันเลยเหลือแต่สิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่มีใครไปยึด เดี๋ยนั้นดียังไงมาจริงไหไม่ต้องไปหาผู้รู้ไปเลยเราก็รู้แต่สิ่งเราไม่ต้องไปหาผู้รู้รไอ้คนไปหาผู้รู้มันก็เป็นตัวปรุงแต่งอีกไม่ได้ไปหาผู้รู้แต่ให้สังเกตไว้ผู้รู้มันพูดได้มันบ่นได้แต่ไม่ใช่เราไปหาผู้รู้แต่ตัวเราเนี่ยเราไม่เห็นพวกเราเอาตัวเราไปบ่นไปพูดไปวิเคราะห์ไปวิจัยไปดิ้นล้นค้นหาจริงๆเพราะเราไม่เห็นมันเลยเราเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นจริงๆแต่ถ้าเราเห็นมันเราก็จะเป็นเป็นผู้รู้มัน แต่เราไม่เห็นมันเลยเราเอาตัวเราก็ไปเป็นๆจริงๆเลยเป็นเป็นผู้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นผู้บนผู้วิเคราะห์วิจารณวิจัยแล้วงงหงิดกับสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจแต่พอมันได้อย่างใจเราก็พยายามจะเอาไว้เราไม่รู้ไม่เห็นมันเลยเราไปเป็นมันจริงๆแต่เรารู้เราเห็นแล้วก็จะไม่หลงว่าเป็นมันนั้นเราต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้ต้องเห็นผู้รู้ซะก่อนที่มันพูดได้คิดได้บ่นได้คือเราต้องเห็นวิญญาณนักขันซะก่อนไอ้ผู้รู้มันเป็นวิญญาณนขันทางานร่วมปัเจสติกคือเวทนาสัญญาตั้วก็ส่งต่อวิญญาณ ให้เป็นรู้รู้รู้รู้ว่าการต่อต่อต่อไปเราต้องเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้แล้วก็สับตะวัรู้คือไม่พยายามดับมันแล้วไปหลงไปกับมันแก็แค่สับตะวัรู้ในปัจจุบันพอสับตะวัรู้ปุ๊บใจมันก็เลยว่างเปล่าไอ้ขาหน้าเขายังทํางานอยู่ตามปกติยังพูดยังบ่นยังคิดไอ้ผูรู้มัยังเป็นอยู่เหมือนกันแต่เราไม่มีเราแล้วออมันมีหมดแล้วในคําสอนเนี่ยมันมีอยู่ในซีดีมีอยู่ในในไลน์ในในยูทูบใน มันมีหมดทุกอย่างแล้วเพียแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราเราไม่เห็นมันไม่รู้มันเราไม่ทราบเรารู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตัวเมืนรู้จักชื่อกันเนี่ยแต่ไม่รู้จักตัวลงตาไปไหนอะไรคนก็อนี่เหรอลวงตาถ้าดวงฝังมาเหรอเนี่ยเออเดินไปเดินมาตั้งนานแล้วคือรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักตัวแบบเดียวกันเน่ะพออาการห้องใจมันเกิดขึ้นพออาการห้องใจมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักนะ เรารู้จักแต่ชื่อว่ารูกเวทนาสัญญาทั้งขาดวิญญาณแต่พอหน้าที่ว่ามันวิญญาณมันทาหน้าที่เรากลับไม่รู้จักว่าวิญญาณคือตัวไหนวเราเราเรียนมาเยอะขันหน้าูปเวทนาสัญญาทั้งขาดวิญญาณเรียนกันมาทั้งทุกคนน่แต่พอเวลามันมีอาการขึ้นมาเนี่ยกลับไม่รู้ตัวไหนมันคือตัวไหนเหมือนคนที่รู้จักแต่ชื่อแต่ไม่รู้จักตัวเนี่ยจนกระทั่งเจอตัวแล้วก็อ๋อ แต่อ๋อไม่ไปฆ่าเขาหรอกน่าได้แก่อ๋อเจอกันแล้วคนนี้หรอแค่นั้นแไะโอ้คนไหนนะลูกตาลนรงศักดิ์อุ้ยได้ฟังยูทูบได้ฟังซีดีฟังอะไรไปทั่วทั้หมดแล้วไปทั่วโลกเลยแต่ก็ไม่รู้จักตัวหรอกวันหนึงไปทํางานไปงานแล้วก็ไปเจอเดินไปเดินมาไม่มีใครรู้จักตัวหลังว่าอ๋อมีคนทักกับคนหนึ่งอ๋อนี่เหรอเอามานี่เหรอลูกตาลนรงศักดิ์อ่ะก็ใช่เอะ อ๋อเออต้องอ๋ออย่างนี้แต่อ๋อก็ไม่ได้ฆ่าให้ตายหรอกไม่ได้ฆ่าลงตายลงสัยให้ตายได้แต่แค่อ๋อเออได้แต่แค่อ๋ออย่างี้เหรอเออก็หมดหมดสิสงสัยาทีเจอตัวแล้วก็แค่นี้แนะให้มันเจอตัวผู้รู้จริงๆกับวิญญาณขันนิจริง่มันก็ได้ปล่อยวางต้องคืออ๋อไม่ได้ฆ่ามันรับรู้ว่าอ๋อแค่นั้นแน่เออนี่วิญญาณขันเหรอแล้วก็ใจยก็ไม่เข้าไปยึดอ๋อก็แค่รู้นี่คือวิญญาณขันเราครบเราเราเห็นล้วครบห้าขันแล้ว ทุกที่ ết, มัน pues ยังไม่เห <com> <thinking of> <interests> ็นไม่ครบห้าขันเลยปล่อยวางขันตั้งหไม่ครบเราจะเห็นวิญญาณขันได้ยังไงก็คือไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ผู้ผู้ไปรู้อะรู้อะไรจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนรู้รู้อะไรจะรู้สึกตัวเราเป็นคนรู้มันมีใครเป็นคนรู้สึกรู้หรอกกับตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้สึกรู้รู้อะไรตัวเราเป็นคนรู้สึกรู้เนี่ยตัวนี้เนี่ยปล่อยวางให้ตัวเราพูดรู้สึกรู้มันก็เลยปล่อยวางตัวเราได้หมดสิ้นคือปล่อยวางตัวเราพูดรู้สึกรู้เพรปล่อยวางตัวเราแค่นั้นแหละพ้นทุกเลย เพไอ้ตัวป sí <ide> ัจ <dans> จุบ <en Tro il marriage> ันหาก็ค you ือต you know you know so ัวเรานี่แหละไอ้ตัวเราที่ไปยึดรู้อะไรแล้วก็ไปยึดรู้อะไรแล้วก็ไปยึดก็เราปล่อยวางตัวเราได้เนี่ยจบหมดแล้วที่ยึดแหล้วที่ฟูยึดนี่ปล่อยวางขันห้าใม่ครบมันก็เลยปล่อยวางไมถึงตัวเราแต่ส่วนใหญ่มันจะเอาตัวเราไปปล่อยวางปฏิบัติกันเกือบร้อยเปเซนมันจะเอาตัวเราไปปล่อยวางตัวเราจะปล่อยวางมันนะปล่อยวางคนโู้นปล่อยวางคนนี้ แม้แต่ผู้ที่มันอยู่ก็เรานั่งสอนอยู่ในตุนกุฏิบางทีก็เดินมาอาจารย์ไม่อยากอยู่บ้านแล้วจะขอมาอยู่วัดได้ไหมทําไมนะจะปล่อยวางครอบครัวแล้วเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่งไม่ไม่รับไม่รับปล่อยวางตัวเองถึงจะรับปล่อยวางครอบครัวไม่รับเดี๋ยวครอบครัวมาประหล่อหน่อยก็กลับไปแล้วโอ้ยนี่มันเบื่อเบื่ออย่างๆมันไม่ใช่มันชอบเอาตัวเองไปปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยวางตัวเองเออมันต้องเห็นตัวเองอยึ เห็นต kind of ัวเองเห็นอะไรรู stock, boots, boots, boots, ้อะไรก็ว <pedo> ิพาก์วิจาร์เห็นอะไรก็วิภาควิจาร์วิเคราะห์วิจารณวิจัยตึกตองบนพูดพอใจไม่พอใจมันเห็นตัวเองแล้วแล้วก็ป่อยวางตัวเองไปเรื่อยๆแต่เอาตัวเองอะจอบกับตัวเองก็ปล่อยวางแล้วจะปล่อยวางครอบครัวมาขออยู่วัดตลอดชีวิตแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก็เราเจอมาแล้วเดี๋ยวปล่อยวางครอบครัวมาเดินยิ้มไปยิ้มมาไม่เอาแล้วไม่ให้ครอบครัวมาหาแล้วเดินยิ้มไปยิ้มมาทักก็หน่อยร้องไห้เลย โอ้ยส า, สามีไม่ดีอย่างนู้นสามีไม่ดีอย่างเงี้ยเราบอกว่ารีบมาโทรศัพท์มาเลยโทรบอกให้สามีมาหน่อยนีพอสามีมาประหลอกกันหน่อยประคองขึ้นรถไปยินยันแจ่มใสเตอือนนี่แต่ไม่ใช่ น, น้ําตาแตกเลยไอเข้าหมอนเลยต่อหน้าคนอื่นเลยปล่อยวางอะไรแบบนี้ชอบเอาตัวเองไ้ปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยวางตัวเองเลยเจอมาหลายหายแล้วแบบนี้มาอยู่วัดโอ๊ยมันไม่ไจริงเลยปล่อยวางครอบครัวปล่อยวางคนนู้นปล่อยวางคนนี้แต่ไม่ปล่อยวางตัวเอง ที่เาปล่อยวางคือเห็นตัวเองไงผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่มันยุ่งที่สุดไปรู้อะไรแล้วมันยึดพอใจไม่พอใจเราเห็นผู้รู้พบผู้รู้ก็ปล่อยวางผู้รู้เรียกว่าพบผู้รู้่าผู้รู้พอมันแต่ล้ว่ามีตัวเองไปยึดอะไรก็สบายไม่เกิดอะไรก็ปล่อยมันพอไม่มีมตัวเองไปยึดแล้วดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอามันสักอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดอะไรขี้ก็ปล่อยมันในใจก็ไม่มีอะไรมีแต่ความสงบและว่างเปล่า แต่ความสึกมันคิดเห็นอะไรก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยก็เป็นเรื่องของมันมยิ่งฉลาดยิ่งวิเคราะห์มากสังเกตตั้งใจวิเคราะห์มากมันยิ่งฉลาดจะไม่มีตัวเราไปรองรับมันสิ้นตัวเราผู้ไปยึดซะแล้วแต่ขันห้ามันทางานได้เต็มกําลังความสามารถเต็มสติมของมันวิเคราะห์วิจารณวิจัยโลกในโลกความรู้อินเทอร์เน็ตมันมีเยอะแยะมากจะอ่านไปทั้งวันทุกดาทั้งวันทุกดาอย่างได้เลยแต่รู้อะไรเห็นอะไรไม่มีใจเราไปรองรับแค่นั้นแหละเราเลยใช้ส่วนที่เป็นสมมุติคือส่วนที่เป็นขันห้าแติ ชีวิตก่อนมันอยู่ก็เป็นอย่างนี้ไงใ้คันห้าไปในส่วนที่เป็นสมมุติแต่ใจเป็นวิมุตติคือสุภุมุตสรราัาสัตยครับออืเรื่องภายในครอบครัวยังวุ่นวายอยู่อืไมไม่เห็นตัวเองเห็นไหมนะนเบื่อเบื่อครอบครัวเดียวมันอยากขบวนแล้วเนี่ยนะปล่อยวางตัวเองเขาความจริงเขาวุ่นวายแต่ใจเราต้องหาที่วุ่นวายกับเขาโลกเขาก็วุ่นวายของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้ไงแต่ใจเราตระหาดที่ไปวุ่นวายกับเขา แต่เราเห็นครอบครัววุ่นวายแต่จริงใจเราวุ่นวายโลกก็วุ่นวายแบบโลกเนี่ยเขาก็เป็นวุ่นวายกับทุกครอบครัวแต่ใจเราต่อหากี่วุ่นวายใจเราเนี่ยไปวุ่นวายกับทกไปวุ่นวายกับเขาใจเราไม่วุ่นวายกับเขาต่อยเขาวุ่นวายยังไงใจเราก็ไม่วุ่นวายแต่ใจเราวุ่นวายกับเขาเราเลยรู้ว่าเขาวุ่นวายโลกครอบครัววุ่นวายพอใจเราไปวุ่นวายกับเขาถามดูอ่านใจตัวเองให้ขาดนะ ใจเราไปวุ่นวายกับเขาไปรักไปห่วงไปใยเขาเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากวิทยาเขาไม่อยากอยากก็ไม่อยากออย่างเงี้ยใจเราต้องหาที่วุ่นวายแต่เขาไม่ได้วุ่นวายเราจะไปปฏิบัติธรรมหาปฏิบัติธรรมที่ไหนแบบเนี้ยปฏิบัติธรรมที่ไหนใจก็วุ่นวายตายเราอ่านไม่ขาดว่าใครวุ่นวายกันแน่ใจเราวุ่นวายหรือเขาวุ่นวาย เขาวุ่นวายก็เป็นเรื่องของเขาแตใจเราไม่วุ่นวายใจเราก็เป็นสุขเราจะไปทำให้เขาหายวุ่นวายเรใจเราจะเป็นสุขเราเม่ไรเราจะเป็นสุข